เทศนาต่อไปเคยเทศให้ฟังถึงเรื่องหมดแดงเผ้ามะม่วงคือว่ามดแดงมันเป้ามะม่วงนั่นน่ะมันอยู่ที่ขัวมะม่วงตอเหมือนอยู่นั่นน่ะแต่ว่าไม่ได้รับรสชาติของมะม่วงที่ว่ามั น, นหวานจะเปรี้ยว อธิบายฟังมาแล้วคนที่นั่งเฝ้าพุทธศาสนานอนเฝ้าพุทธศาสนานับถือพุทธศาสนาหรือศีลธรรมโดยเฉพาะคือตัวของเราเป็นธรรมทั้งหมดคือรูปธรรมนา ม, มาธรรมแต่ไม่รู้จักรสชาติของธรรมะก็เช่นนานเหมือนกัน วันนี้จะอธิบายถึงเรื่องฟังธรรมอย่าทำตนเมืองกระม่ความคงจะเคยเห็นกันหม้อที่ความลงไปนะน้ำหรืออะไรพาจเยเทอะไรใส่ลงหม้อนั้นไม่เข้าเลยถ้าหากว่าหงายไว้น้ำเลยหยดลงไปถูก เข้าไปในีปากหมอแล้วก็มีวันจะต้องเต็มในวันหนึ่งคนเราที่ฟังธรรมก็เหมือนกันฟังธรรมไม่รู้จักธรรมหรือไม่พิจารณาธรรมไม่ค้นคว้าถึงเรื่องหลักธรรมทั้งจำก็ไม่ได้ทั้งคิดก็ไม่เป็นไม่รู้จักคิดไม่รู้จัก จำแม้ด้วยจากค้นคว้าประมาเปี่ยมมันกม็มอความความจริงนั้นพุทธศาสนานั้นเป็นประทีปสำหรับส่องสว่างดวงใจของเราที่มืดมิดปกปิดด้วยด้วยกิเลสให้ใสสวา่างแจ่ม้า แต่ด้วยเหตุที่เราฟังธรรมมันก็มอความเกิดไม่สว่างแจ่มจ้าขึ้นมาแต่ด้านที่พึงรู้สึกตัวในเมื่อเราฟังธรรมอย่าให้เป็นอย่างมอความคิดจับเอาหัวข้ออันหนึ่งให้มันได้เทศแต่ละการเทศแต่ละครั้งละทีมีจุดสำคัญอันหนึ่งที่เป็นหลัก นักแน่น้ละมั่นคงในการเทศนั้นมีความหมายธรรมะทั้งหลายที่พระ อ, องค์เทศนาไ้มากมายก็มีจุดสำคัญคือว่ามีเนื้อแท้ของธรรมะหนึ่งซึ่งเราจะต้องได้รับรสชาติ หรืออาจหรืออีกในหนึ่งเรียกว่ามีเกณฑของพุทธศาสนาเนื้อกับเกณฑอันนี้อธิบายถึงเรื่องเนื้อไปตลาดคงจะเข้าใจทั้งเนือเนื้อเนื้อชั้นนอกกับเนื้อชั้นในมันผิดกันราคาก็ผิดกันรสชาติก็ผิดกันหนังอันหนึ่ง เนื้อที to to ่มันปนไปด้วยทั้งผือดคนก็ไม่อยากซื้อหรอกด้วยเนื้อที่ผสมในน้ามันเขาก็ไม่อยากซื้อถ้าเป็นเนื้อแท้เนื้อในคือเนื้อแดงราคาก็แพงรสชาติก็ดีพุทธศาสนาของเราก็มีเช่นนั้นเหมือนกันพื้นหนังหุ้มห่อเนื้อกับ ฟังผืดและน้ำมันเนื้อผสมน้ำมันเนื้อแท้มันอีกเนื้อในทแท้เนื้อชั้นหนมันอีกส่วนหนึ่งต่างหากนี่เราพากันฟังธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมขั้นสองของปฏิเจ้านั้นโดยมากไม่รู้จักเนื้อแท่ เขาไปเหงก็รีเพียงพื้นหนังเท่านี้แหละก็รี่รพอแล้วเนืไปได้เพียงเนื้อของผืนก็น พ, นกนพอแล้วเนื้อที่ผสมกับน้ำมันก็ว่าพอแล้วยังไม่ได้ถึงเนื้อไหนเนื้อแดงแกนก็นยังว่านั่นถึงพูดถึงเรื่องเนื้อกับแกนแกนนั้นก็นพูดมาแล้วเคยพูดมาแล้วทั้งเรื้อว่า เปลือกต้นไม้ต้องมีเปลือกแต่มีกับพี่และไม่แก่นพุทธศาสนาก็เช่นนั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าสอนเบื้องต้นสอนให้รู้จักยอมสละวัตถุสิ่งของที่เรามีมามันเป็นเครื่องกังวล วัตถุทั้งหลายที่หาสแสวงหามาได้เมื่อไม่มีก็สแสวงหาขั้นหามาได้แล้วก็มัทยันตหวงแหนโดยมากมักเป็นในทํานองนะคนที่มัธยันต์ห่วงแหนจะเกี่ยงจะดับคนที่มัธยันตห่วงแหน มีสิ่งใดทําใจให้เศร้าหมองฮดหูไม่เบิกบานใจคับแคบก่วงขวางความคับแคบก่วงไม่ก่วงขวางของใจนะี่นะปัญญาก็ไม่เกิดมันไม่เบิกบานคนที่คิดสละจาคะ มีอุบายปัญญาที่จะหาสิ่งมาสละจาระอืมมันมันผิดกันคนที่มีสละจาคะมีท่าใดก็ฮิบฮีอยู่เพียงแค่นั้นห่วงเห็นเพียงแค่นั้นกลัวคนอื่นจะมาแย่งมาชิงกลัวคนอื่นจะมาเห็นปกปิดมิดชิดว่าจิตใจมันกวงขวงเบิกบานครูที่จนสอนในสละดคืจาคะ เมื่อเราสละจากฆ่าจิตใจก็กว้างขวางเบิกบานเพราะเหตุที่เราจากฆ่าสละลงไปเห็นคุณค่าประโยชน์ในที่เราในเรื่องที่เราจากฆ่าว่าเป็นประโยชน์แก่คนอื่นประโยชน์ตนและกคนอื่นอีกด้วยเป็นการเฉลีย่ยความสุขทั่วท่วไป คุณค่าก้วงขวงมหาสาลนอกจากที่เราจะสะจารค่าเป็นประโยชน์แก่คนอื่นแล้วยังเป็นประโยชน์ย้อนกลับมาหาตัวเองอีกตัวเองจะเป็นที่รักและเคารพนับถือของคนทั่วไปเป็นการป้องกันภะยันตรายในตัวใครจะไปคิดอิสระลิทยาเบียดเบียน ด, ด้วยประการใดคนที่เขาได้รับประโยชน์จากเราเขาจะช่วยปกปักรักษา กว่วงขวงเลือที่จะพน น, นาอันนี้จาระคะหลักของพุทธศาสนาจาระคะในเบื้องต้นเห็นผลอธิบาย้เห็นผลจาระคะจต่อไปคือการสละความชั่วทุกคนทำความชั่วจิตใจในมัวหมองคิดเฉยกระจามไม่ถึงกันกันว่ากระทำและพูดออกมาด้วย วาจาและกระทำโดยกายอันนั้นน่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนในจาคะความชั่วอย่าให้มามีอยู่ในใจของตัวนั่นก็สอนจ่าคะเหมือนกันให้สะะเหมือนกันจ่าคะดีเข้าไปก่อนนั้นละเอียดเข้าไปก่อนนั้น ก็สอนใหทำนองจากข้าเหมือนกันให้สละอารมณ์เกี่ยวข้องหัวพันที่มันคิดสงสยัยไม่ให้ใจสงบเยือกเย็นเป็นทุกข์ให้รู้จักสละเหมือนกันกระทั่งสละลงในปัจจุบันอดีตอนาคตก็มาให้มีในเรียกว่าสละจากข้าเหมือนกันนอกจากนั้นอีก พระพุทธเจ้าสอนให้ใช่อุบายปัญญาลึกซึ่งละเอียดเข้าไปตัว น, นั้นอีกให้เห็งคุณโทษประโยชน์ในสิ่งต่างๆตลอดทึงอารมณ์ความคิดความนึกยิดข้องโภพันยึดมั่นอุปท า, านในสิ่งใดให้ไปเจรนาให้เหตุโทษสละจากข้าสิ่งนั้นลงไปเปนที่เียกว่าจาโคปาตินิสโก จ่าฆาตละถอนคืนมุตติอะไรยโยพ้นแล้วไม่กังวลอะไรนั่นสอนเรื่อ ง, องจาฆะนี่เรียกว่าเนื้อเนื้อของพุทธศาสนานั่นที่เราที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นสอน อะไรทั้งหมดตั้งแต่ทานศีลภาวนาทั้งสามประการนี่แหละเนื้อแท้คือสลักที่คำพูดนั้นเป็นหนังที่พูดมาเยอะแยะเลยเป็นเรื่องหนังเป็นเรื่องเนื้อผงผื่เป็นเรื่องเนื้อไปเจอเือด้วยน้ำมันเนื้อในเนื้อแดงแท้คือจากระลงความเดียวที่เรียก ว, ว่าจากระ เนี่เข้าใจอย่างนี้เรื่องพุทธศาสนาจับหลักให้ถูกจับเนื้อแท้มันถูกที่จะพูดไปมากหมายสักเท่าไหร่ก็พูดไปเถอะอธิบายก่วงขวังสักเท่าไหร่ก็อธิบายไปเถอะลงตรงนี้แหละเห็นนั้นเราทําอะไรจับหลักพุทธศาสนาให้มันได้ปฏิบัติให้ถูกไม่ต้องงมง่ายและไม่ต้องตื่นข่าว ใครโน้วนว่าโน้นดีไว้นี้ดีอะไรต่างๆทงามันงั้นดีทำดํทำนี้ถูกไม่ต้องตื่นข่าวจับหลักพุทธศาสนาอันนี้ได้มั่นคงคือได้เนื้อแดงหมดแล้วก็เอาละของมันนั่นใครจะว่าไงก็ตามจึงจะเชื่อมั่นเรียกคนเชื่อมันในพุทธศาสนาจับหลักพุทธศาสนาได้ ถ้าหากยังไม่เชื่อมันได้เห็นด้วยตนเองด้วยประการอย่างนี้แล้วจะมีการหลงมัวเมาถึงหากว่าจะทําด้วยประกา ร, ร อ, อื่นๆต่างเช่นตามธรรมาตามธรรมขนมทำเนียมประเพณีเช่นมีการทําบุญสุนทานใหญ่โตโทานตามประเพณีนี่ยมแสดงตาด่างบวชนาคทากฐิ น, นอ้าทําไปเถอะทําง่ายก็ทําไปเถอะ แต่ให้จับหลักอันนี้ให้มันได้ใจของเราให้มันเั่นอยวอย่างนี้ให้มันแน่วลงถึงจุดสําคัญตรงนี้อมุนัสสัตวธรรมทําททไปตามวิถีนินยมและหมูกก่คณะไม่เป็นปัญหาถ้าหากเราจับอันนี้ไม่ได้แล้วจะตื่นดาวเขาทันเพราะทําทแล้วจะตื่นเต้นไปตามเขาโมัวเมาลุ่มหลงไปตามเขา ยังเขาทากันทุกวันนั่นนี่ทำบุญทำทานคนน้องมากจึงว่าได้บุญหลานคนน้อยไม่ได้บุญคนนิยมนักถือมากๆอันนี้คนมากก็ต้องใช้งานมากคนนองมากก็ต้องใช้จ่ายมากดังเขาเป็นๆกันอยู่ทุกวันนั้นทําบุญมหาชาติฟังเทศตลอดวันหรือทําบุญกรถิ่นก็นดีบวชหน้าบวชะไรต่างก็ดี คนมากก็มีอะไรจะเลี้ยงเงินต้อไปข่างัวข่าควายข่าหมูข่าเป็ดข่าไก่เลี้ยงกัน อ, ไไนอืไปนั่นตื่นเต้งกันไ่ไงตื่นกินคนน้อมากก็ต้องหาอาหารมาเลี้ยงมากๆอาหารน้อยมากคนก็แฮ่ก็มากินมากๆลืมคิดถึงหลักที่ว่านนั้นไม่ใช่เรื่องจากพระสา น, น, นเรื่องสะสมบัติคือความชั่ว มันผิดจากแนวุตหลักพุทธศาสนาแไปเลยเนี่ยเรื่องไม่จับหลักไม่ได้ไปอย่างนี้ทําบุญทนทานปฏิบาาัติศาสนาอันนี้ว่าถึงเรื่องเนื้อเนื้อแท้เนื้อแด ง, งพระพุทธศาสนานี่ว่าทั้งเรื่องแก่นพระพุทธศาสนา ถ้าพุทธเจ้าเทศก็ไมเทศได้เทศทั้งเรื่องศีลสมาธิปัญญาต้นของพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้คือศีลสมาธิปัญญาศีลที่เราพากันปฏิบัติรักษาอยู่นั้นศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสิบห้าศีลเจ็ดก็ตามเถอะ รักษาเพียงตื้นตื้ตอผ่นเผงดเว้นจากศีลจากความชั่วนั้นนั่นที่เข้าถึงแกน่นคือคิดงดเว้นไม่ใช่รักษารักษาเนียกว่ายังศีลยังเป็นเปลือกนั่นว่าจะเข้าถึงแกน่นคือเป็นตั้งใจงดเว้นจากความชั่วเห็นความชั่วความ คิดคิดชั่วนิดหน่อยก็ตามไม่ต้องออกปากพูดหรือไม่ต้องกระทำโดยการแม้แต่ใจคิดนึกก็ตามนั้นเรางดเว้นเข้าถึงกับพีงดเว้นในความชั่วนั้นที่แรกเรารักษาเป็นขอขอเรียกว่าอยู่ในเปลือกหากว่าเรา เห็นตัวศีลที่ใจงดเว้นใจมันคิดที่จะทําคือมันไม่งดเว้นทางผู้ชั่วเราไปเห็นตรงนั้นอสระตรงนั้นไม่ต้องแสดงว่าทางกายหรือว่าจ๋าอันนั้นศีลเข้าถึงกับฐี่ถ้าศีลเข้าถึงตัวเย็นตัวสงบ จึงจะถึงแก่นทั้งสินที่ท่านพนันนาทั้งเรื่องคุณของสินมีหลายอย่างสีตะเมื่อสงบแล้วก็ยินสีละรอเือรอลิงคือมาสีลานั่นเอง เมื่อเข้าทั้งควา ม, วามสงบแล้วกระนักแม่นมั่นคงเมือก็หินเรียกว่าสมุเชเฉดทวีรักคือไม่กลับงอกอีกหินไม่เหมือนไม่เหมือนต้นไม้หัวต่อแก่นของศิลเรียกว่าศีละศีตักก็แปลว่าเย็นศีละแปลว่ามั่นคง นักแนนไม่งอกเพื่อไม่ละละและ้วมาทำชั่วอีกศีละตัวรอเรือแปลว่าศีนเป็นยอ่อศีนปเปิดเสริศศีนสูงสุดหลุดพ้นจากความชั่วใดเมื่อเรารลือกถึงศีนอยู่อย่างนี้ จิตใจของเราก็เปิดอบานเยือกเย็นสงบมัานคงศินนั้นยังเรียกว่าสินทึงแกน่นสินมีทั้งเปลือกมีทั้งกับพี้มีทั้งแก่นเราคิดดูทั้งสินของเราสินเปลือกหรือสินกับพี้หรือสินแกน่น ถ้าเรารู้จักเรื่องลักษณะของศีลทั้งสามชั้นอย่างนี้แล้วแล้วก็มีห้อนทานที่จะกําจัดปัดเป่าจิตของตนถ้าต้องการอยากจะถึงแก่นถ้าไม่ต้องการจะถึงแก่นหรือไม่รู้เรื่องนี้ล่ะก็ไม่ทราบว่า จ, จะไปรักษาศีลในโ ด, ด้วยประการใดปฏิบัติตามศีลในโ ด, ดยประการใดและศีลถึงขั้นไหนก็เลยไม่ทราบ มีทางหาไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องยังหลวพมาเสี่ยมันก็มอความเทศอะไรฟังก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจสมาธิก็เหมือนกันมีทั้งเปลือกมีทั้งกะพี้มีทั้งแก่นสมาธิที่เราบริกรรมพุทโธพุทโธก็ต่างเรือรนนร่องมรณะเรื่สติมรณะนนสติอะไรก็ตามเถอะ อย่างเขาพาัเพระาะนายกนอเพราหนอาาาาให้พิจารณาความเกิดคากกวามดับประชันอันนี้ยังเป็นเปลือกของสมาธิถ้าหากว่าเราจับจุดของสมาธิใดคือว่าสมาธิหมายความถึงทํางทำใจให้แน่วแน่อยู่ในอารมณ์มันเดียวจะไม่ได้มรรคผล นิพพานฌานสมาธิสมบัติเห็นพูดผีพิสัเสทบุทตรเทวดาอินพรหมมีลิธาปาธิหารอะไรก็ช่างมันเถอะสมาธิคือต้องการให้จิตรวมอยู่ในที่เดียวสงบรวบรวมใจให้มั น, มนอยู่อยู่ในจุดเดียวแล้วเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็พยายามซ้ำรวมในจุดเดียว ไม่จิตเราตั้งมนันในจุดเดียวเรียกว่าสมาธิเข้าถึงกับพีถึงแม้จะมีอาการวับวแว้บๆได้ไหการส่งสัายบ้างลเล็กนๆน้อยก็พยายามมิจิตดึงเข้ามาอยู่ในจุดเดียวพยายามทุจชำระให้หมดสิ้นไปมีจุดมุ่งมั่นอยู่ในจุดเดียวอย่างนี้ เรียกว่าสมาธิเข้าถึงกับพี่พิจารณาดูสมาีิของตนอยู่ในขั้นไหนถ้าหากว่าเราพยายามทาอยู่เช่นนั้นกับพี่นั่นละมันเป็นเรื่องหล่อเลี้ยงแกนพยายามทเจนเกิดพลังแข็งแกรง่งและกล้าหาญ ยังกระทั่งวางพุทโธหรื อ, อ น, นาปาสติอะไรก็ตามานาสติอะไรก็ชักแต่ยุ่งเนาะฟ้องเราก็ตามทิ้งเสีหายวุบไปเลยไม่มีอารมณ์มนันตึงเครื่องอยู่เข้าไปสงบสุขอยู่คนเดียวหายวุบว่าเข้าไปอยู่อันหนึ่งของมันต่างหาก หรืท่านจะเรียกว่าอัญนาสมาธิอะไรก็ตามลูกผวาเงอะช่างเถอะไม่ต้องไปคำนึงถึงมันอ่ะพูดถึงเรื่องแก่นอันเดียวถ้ามันหายจากในยังอันเดียวก็เป็นแก่นกทีเดียวแทนแก่นทีเดียวสมาธิตรวนั้นเรื่อลูกเสียงขิ่นลดผลถ้าผ้าอารมณ์ตา่างหายหมดไม่มีอาจจกระทบก็ไม่กระเทือน กระเทือนก็ไม่หวั่นไหวตรงนั้นจึงเรียกว่าแกนของสมาธิพิสูตร์ดูดูสมาธิของตนถ้าอยู่ในปริกรรมยังไม่รู้จักจุดของการทำสมาธิคือความหมายของสมาธิก็เพียงจะเปลือกแต่ก็ดีอยู่ เปลือกนั่นแหละมันจะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกระพี้ทางไม่เปลือกห่มกระพี้มันก็งอกไม่แม้ก็อยู่ไม่ได้ต้องแห้งเปลือกห่อไว้กระพี้ยังก็ถอดฐานที่จะเข้าถึงกระพี้กระเพราะมีปริกรรมเมื่อเราปฏิกรรมก็จะเข้าถึงจุดอันเดียว เาถึงจุดอันหนึ่งคือเข้าถึงความสงบเมื่อความสงบนั้นมีพลังเต็มที่รวมความพลังอ น, นั้นให้เข้ามีกำลังมันจะปล่อยทิ้งกับพี่นื้อข้าไปถึงแก่หายผู้ว่าเข้าไปถึงแก่แล้วจะไม่มีอะไรกระทบกระเทือนถึงเกระทบกท็ไม่กระเทือนกระเทือนก็ไม่หวั่นไหว นี่แก่นของสมาธิว่าถึงเรื่องแก่นทั้งสามชั้นทั้งสามอาการยังแก่นของยังเปลือกและก็พี่แก่นของปัญญาอีกปัญญาในการได้ยินในฝั่งในการศึกษาตลับตำราหรือพิจารณาโดยอนุมาน เห็นสั้ขนขาด้วยของเกิดดับเห็นเป็นในจังทุกครั้งเลาตายอนดูสภาพปฏิกูลเห็นสั้ขนขาเป็นกองทุกอย่างนี้เป็นเรื่องของปัญญาคำว่าปัญญาเนี่คือพิจารณาคือจริงเห็นจริงตามเป็นจริงมันก็จริงเหมือนกันเห็นอย่างนี้ก็จริงเหมือนกัน แต่มันไม่ยอมละแต่ไม่ยอมปล่อยเห็นแล้วมันยังทิ้งไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ทิงว่าเป็นปัญญากับพี่ให้เป็นปัญญาเปลือกเปลือก อ, อยู่พูดกันได้เห็นเขาคุกบกุองใจทุกโศกร้องไห้ร้องโหยเทศเขาได้ดีจ้อยเลยอะไรอันนี้แจ้งทุกครั้งนันตาไปยุ่งวูด น, นวีมันไว้ทําไม ไม่แจ่ของเร า, างานนี้อะไรต่างๆัดเวลามาถึงตัวเองเขาร้องไห้ไม่รู้ตัวนั้นเปือกปัญญากเ็กเปือ้อนไปงี้แหละมันไม่แก่ทนไม่ได้ปัญญาที่เราอาศัยอันนี้แหละเปื้อนนี้แหละห่มห่อปัญญากับพี่ เมื่อเราเพ่งพิจารณางนั้นอยู่นานๆจนเคยชินอย่างน้อยที่สุดก็พอระงับความทุกข์ได้เป็นบางครั้งบางคราวอย่างสิ่งของอะไรมันพัดตกไม้ตกมือหม้อแตกถ้วยแก้วแตกหรือชามแตกอะไรต่างๆช่างว่ามันเถอะมันของในเที่ยงก็เป็นแ่ะอย่างน้อยที่สุดอ่ะอะละ ของนี้เขามถ้าหากว่ามันมั่นคงมันไม่แตกเขาเขาไม่จะขายไม่ได้ก็สบายใจไปหน่อยหนึ่งก็ยังดีอยู่ด้วยเหตุที่เราฮัดคิดหัดพิจารณาอย่างนี้ตลอดการก็ค่อยได้ประโยชน์อย่างที่ว่านะมีคุณค่าขึ้นมาแต่ถ้าหากเราพิจารณานี่นานา น, นักเท่าวันหนึ่งหละ มันจะชัดขึ้นมาภายในใจสิ่งที่เป็นของไม่เที่ยงเท่าไม่เที่ยงน่ะเพเป็นทุกข์เป็นหน้าตาจะชัดขึ้นมาภายในใจของเราเป็นครั้งเป็นคราวเห็นสิ่งท่านหลายไม่แน่นอนท้าวอนเพราะมันเกิดดับ นั่นเกิดแล้วมันก็ดับไปหายไปถ้าตั้งใจจะให้มันอยู่มันไม่อยู่ตั้งใจให้มันเป็นจริงมันไม่เป็นจริงขึ้นมาแล้วว่าสิ่งนี้ดียจะรักษานี้ไว้ให้มันตีต่อไปมันก็ไม่อยู่บางครั้งมาคาแล้วไม่อยากให้มันเป็นมันของอันที่เราต้องการปรารถนาเกิดขึ้นมาสิ่งที่เราต้องการจะปรารถนาอยากให้มันอยู่เดี๋ยวมันก็หายไปมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดกาล อันนี้เรียกว่าเห็นความเกิดดับชัดโดยตนเองคนอื่นพูดก็ไม่เหมือนคนอื่นสองก็ไม่เหมือนมาเป็นดูตำราตำราที่ท่านสอนที่ท่านเทศนาที่อธิบายไม่เหมือนของเราเองอันนี้เห็นด้วยตนเองค่อยดีขึ้นแข็งแกร่งขึ้นสักหน่อยแต่จะใช้การอย่างท้าวอนมันคงก็ยังไม่ได้ นี่ปัญญากับพี่ส่วนอื่นพิจารณาเองที่อธิบายฟังพอเป็นตัวอย่างเท่านั้นปัญญาที่ถึงแกนแท้นั้นมันลงถึกสภาวะสิ่งต่างๆมีอยู่เช่นใดเป็นอยู่เช่นใดสิ่งทั้งหลายนั้นจะแต่ป่นวนวิเดสภาพใดก็ตามเป็นไปอย่างไรก็ช่างจิตใจไม่ได้วันไหว จิตใจมั่นคงหยุดคงที่เห็นตามสภาพเป็นมีอยู่อย่างไรเป็นอยู่อย่างไรเป็นอยู่ตามเรื่องของเรานั้นเน่ยไม่สามารถจะมาทําใจให้หวั่นไหวทําใจให้กระเทือนเห็นสภาพตามเป็นจริงจิตเพิ่งจะไม่นิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวในตอนนั้นจิตไม่ได้นนิ่งหรอกไม่ได้อยู่ในอารมณ์เดียวหรอก เห็นอยู่รู้อยู่จึงว่ามันไม่นิ่งแต่ว่ามันสิ่งที่เห็นนั่นมันเห็นจากภาพความเป็นจริงยึดอนันั์ น, นักแน่นมั่นคงไม่หลงกลับไปยึดอย่างเดิมพูดกันง่ายๆเรียกว่าถอนความยึดมั่น รสชาติจืดจางจากสภาพเดิมจึงเรียกว่าปัญญาทานศีลสมาธิพูดถึงเรื่องเนื้อของพุทธศาสนา